ก็จะกล่าวต่อจากครั้งที่แล้วในปาตราสิสูตรในครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเทศนาได้ตรัสไว้เกี่ยวกับทรงระลึกถึงธรรมที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุนีิลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบ ประนีตยังไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้แต่บัณฑิตส่วนหมูสัตว์นี้เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินในในใจในอะไรนะยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ได้และยากที่จะเห็นธรรมที่สงบสังขารทั้งปวงสลัดทิ้งอุปาธิทั้งปวงเป็นธรรมที่สิ้นตันหาเป็นที่สำรอกเป็นความดับเป็นที่ออกจากตันหา ก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงเราก็จะลำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่าตรงนี้พระผู้มีภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยน่ทรงขวนขวายว่าไม่คือในมาถึงช่วงตอนเนี้ถ้าในปาตราสี่สูตรเนี่ยไปเชื่อมโยงในพระวินัยที่ท่านกล่าวเขาไว้ตอนที่พระบรมศาสดาสเสด็จออกจาก ควงไม้ลาชายตนะไม้ราชายตนะก็เข้าไปที่ต้นอาชาปารานีโคดแล้วก็เสด็จประทับอยู่หน้าที่นั้นได้เกิดปริวิตรกว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากไม่รู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบและประณีตใช่ไหมถ้าดูจากที่บอกว่าตอนพระ อ, องค์ตรึกอย่างนั้นนะบอกว่าไม่อย่างลงสู่ความตึกละเอียดแล้วก็เป็นวิสัยที่บัณฑิตที่จะพึงรู้ได้ ส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ยังรื่นลมอยู่ในอาไลาคําว่าอาไลาในที่นั้นก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตใจน้อมไปในกามคุณหเนี่ยนะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ยินดีในอาไลาคือยินดีในกามคุณชื่นชมในอาไลาก็คือฐานะคือความที่ว่าว่ามีอวิชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารเป็นต้นดังนี้ฉะนั้นปฏิจจสมบาตเนี่ยทศตามบอกว่าสัตว์โลกที่จะไปเห็นบอกว่า อวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้สัตว์ที่จะเห็นเหล่านี้เนี่ยยากมากใช่ไหมเพราะธรรมะที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งถ้าเราไปที่พุทธคยาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต่อที่ที่พระพุทธเจ้าเสวยมุติสุขใช่ไหมหลังจากตารัสรู้อนุตตลัสา ม, มาสัมโพธิยานแล้วเนี่ยในสั ป, ปดาห์สุดท้ายเนี่ยสั ป, ปดาห์ที่เจ็ดเนี่ย ตอนนั้นนะ่ยพระ อ, องค์ก็ต้องพิจารณาดูว่าธรรมะที่ตนเองได้ตรัสรู้เนี่ยเป็นสภาพที่ลึกซึ้งมากดังที่ได้กล่าวมาเีย ว, ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้บัตรละบัตนี้เนี่ยเรายังไม่ควรจะประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วโดยยากเมืพ่อพูดในลักษณะอย่างนี้สเทือนนะบัตรนี้ไม่ควรจะประกาศธรรมที่บรรลุได้ยากธรรมนี้ชนผู้มีราคะคือความกัหนัด ชนที่มีโทสะคือความโกรธหนานแน่ น, นตัดสรู้ไม่ได้โดยง่ายชนผู้กำหนัดด้วยอำนาจอย่างราคะถูกเอาวิชาความมืดคุ้มห่อไว้ย่อมไม่เห็นธรรมที่ทนกระแสโลกอันละเอียดเป็นอนูลึกซึ้งเห็นได้ยากว่างนเออถ้าพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จะเห็นว่าระษาสระของเราทรงขนขวายน้อยนะ ทรงขวนขวายที่จักไม่แสดงธรรมท้าถามบอกว่าเมื่อทรงพิจารณาอยู่เนี่ยพระไทยก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราคิดอยู่อย่างนี้จิตใจก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยและไม่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมทำมาพิจารณาดูจากคําสอนตรงนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทําไมพระบรมศาสดาจึงขวนขวายน้อยและจึงไม่คิดที่จะโปรดสัต์ เหตุผลคืออะไรปฏิจจสมบาทเห็นยากหรือเห็นง่ยายเห็นยา ก, ยากเห็นยากนะในคำสอนถ้าไปดูในคำพอุ l านจะเห็นชัดแ น, นนะ่ตอนนั้นน่ะดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายครั้งนั้นสหมวดีพรม ทราบความดํำริของเราฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าดำริเนี่ยสามัดีพรหมเนี่ยรู้สามฤพรหมเนี่ยในอดีตชาติภิกษุรูปในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยสามวัดีพรหมนีเน่เป็นเป็นภิกษุนะชื่อศาสตร์กาภิกษุเนี่ ย, ยคือคือบวชเป็นภิกษุแล้วอยู่ต่อมาแล้วตายรู้มรณะเนี่ยมรณะภาพเนี่ยแล้วไปเกิดเป็นพรหม นี่พร้อมเนี่ยได้มีความปริวิตกว่าโอโลกจะฉิบหายและแหลกลานเสียแล้วหนอพอพระตถาคตอรหรันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้ามีพระไทน้อมไปเพื่อขวัญขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมโอ้เดือนร้อนใหญ่แล้วคำว่าโลกจะฉิบหายในที่นั้นเป็นชื่อของคำว่าสัตว์โลกนั้นจะย่อยยับแล้ว ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมฟั ง, ฟงรธรรมปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจักวิบัติแล้วในทางตองอย่างนี้สหมดีพรมนั้นจึงอันตรธานจากพรมโลกปรากฏตัวต่อหน้าเราคล้ายกั บ, บรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่งอเข้าหรือคูเขีดแขนที่เหยียดออกฉะนั้นก็มาปรากฏเฉพาะหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วจึงฉเฉยงบา่า ประคองอัญเชลีมาทางเรากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมสัตว์ผู้มีกิเลสทุลีที่ดวงตาน้อยเป็นปกติมีอยู่เพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจักเสื่อมผู้ที่รู้ธรรมจักมีอยู่คันธสหมดีผมกล่าวอย่างนี้แล้ว ยังกล่าวคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้ว่าแต่ก่อนในแคว้นมคดได้ปรากฏว่ามีธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งชนพวกที่มีมนทินคิดกันเข้าไว้ถามว่าในแคว้นมคดในยุค น, นั้นเนี่ยทำธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ที่บุคคลที่มีมนทินคิดเข้าไว้ในยุค น, นั้นมีใครบ้างปุรานากัสปะ มคคารีโคสาราอาชิตะเกียรติกำพลสัญชัยเวรพระบุตรปากุฏธากัจจายนะคิดเข้าไว้พวกครูทั้งหกนี่แหละคิดเข้าไว้สั่งสอนมนุษย์โลกเข้าไว้แล้วก็ทำให้คนนั้นมีวิปริตมนสิการกั น, นคิดผิดเข้าใจพระธรรมคำสอนผิดพลาดปฏิบัติผิดกันเป็นแถวเป็นแนวหมดก็ว่างั้นขอพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะ มหานครอมตะมหานครประตูในที่นั้นก็คือพ้นทางที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานเนขอสัตว์ทั้งหลายจงสดับทมที่พระองค์ผู้ทรงหมดมนทินตรัจะรู้ชนผู้อยู่บนยอดเขาศิลาพึงเห็นประชุมชนได้โดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปีชามีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระองค์ผู้ประศจากความโศกโปรดขึ้นปราสาทที่สาเร็จด้วยธรรม ซึ่งมีอุปมาฉันนั้นทรงตรวจดูประชุมชนผู้ละงมไปด้วยความโศกถูกชราครอบงำแล้วเออถ้าเรามองอยากตรงนี้นะว่าโสกะปริเทวะทุกขาโทมานาสซาอุปายาตเนี่ยไอความโศกเนี่ยมาจากชราเนี่ยฉลามบาลเป็นทุกข์สัตว์หมฉลามบาลรณเนีเป็นทุกข์ฉล า, ร า, ามลาราณลสมุ ท, ทยัยนี่เป็นสมุทยาสจ่า เชรามรณนิโรดนี่เป็นพระนิพพานนะเชรามรณนิโรธขามิมีปฏิปทานนี่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นี่นะถูกชลาครอบงําฆ่าแต่พระองค์ผู้มีผู้ทรงความเพียรทรงพิชิตสงครามผู้นำแห่งหมู่สัตว์ผู้หากิเลสม่ได้โปรดเสด็จลุกขึ้นจาริกโปรดสัตว์ในโลกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมเถิด ผู้รู้ทั่วถึงจักมีอยู่อันนี้คือเป็นคำอ้อนวอนเป็นคำอาราธนาของสหมวดีพรม <c oughs> ดูกรนริกษุทั้งหลายเรารู้อาราธนาของสามวดีพมและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุ <c oughs> ก็ได้เห็นเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุดทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ตรงนี้นะเออมีวินิจฉัยอย่างนี้นะว่าเอาทําไมบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยย่ำทราบว่าเมื่อพระองค์ทรงลำพึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยท้ามหาพรหมจากทุนาลาธนาจากแสดงธรรมเนี่ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงปริวิจึงลำพึงว่าจากขนขวายน้อยคือคิดว่าถ้าพระองค์ทําแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเท้าสามมดีพรหมจากมาลาธนาคนในยุกนั้นก็เชื่อพรหมหรือเชื่อพระพุทธเจ้าเ <c oughs> <c oughs> ขาหน้าถือพรหมเนืูุ้้่啊 เขานับถือพระพรมเห็นไ้มว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเกิดปริวิตกอย่างนี้แล้วเนี่ยพรมจักมาลาถนาพระพุทธเจ้าให้สแสดงธรรมอยู่ไหมเมื่อพรหมมาราถนาให้แสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็รับมาลาถนาพรมแล้วก็สแสดงธรรมนี่คนเนี่ยเชื่อถือพระพรมอยู่แล้วเนี่ยว่าเออพระพุทธเจ้าของเนี่ยที่มาสแสดงธรรมเนี่ยเพราะแสดงตามคํามาราถนาของเท้ามหาพรหมที่เราเคารพนับถือนะเข้าใจป่ะ มองเห็นนี่ยังว่าพระพุทธเจ้านั้นวางหลักในการประกาศพระศาสนาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นท้าวมหาพรหมจากทูลราตนาในการแสดงธรรมและเมื่อมหาชนรู้มหาชนทั้งหลายก็จักให้ความเคารพธรรมอย่างนี้คนจะเคารพธรร ม, มัหมเพราะว่าท้าวมหาพรหมรัตนาใช่ไหมให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใช่ไหมมหาชนเขารู้ว่าโอ้ท้าวมหาพร อรนาเนี่ยคนก็จะเคารพรมเพราะว่ามนุษย์ในโลกสมัยนี้เคารพพรหมอาเดียมักก็คือประตูที่จะเปิดออกให้เข้าถึงพระนิพพานนั้นน่พระพุทธเจ้านี่ชื่อว่าพระวิชิตสงฆามพาอทรงชนะเทวบุตรมารมจุมานแล้วก็มารคือความตายกิเลสมานมานคือกิเลสแล้วก็อภิสังขารมานมานคืออภิสังขารมารคือการบูงแต่งนี่นย ฉะนั้นด่าว่าในสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาเคารพพรมเมื่อเขาเคารพพรมพรมมาละทนาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นการเปิดอะไรเปิดประตูเอาการเปิดประตูในที่นั้นก็คือว่าบอกหุณทางบอกหุทางที่จะเข้าไปสู่พระนิพพาน หนทางที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานในที่นั้นเรียกว่าอริยมรรคก็คือกล่าวบอกในเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิกูุทั้งหลายเรารู้การราตนาของสหมวดีพรมและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เขาเรียกว่ามหากรุณาสมาปติยาน จึงได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุบผู้ พ, พุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธจักสูในที่นี้เป็นสมันตาจักสูนะจักสูบรอบข้อเป็นสัพพัญยุตยานได้เห็นเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสในทุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่ผู้มีกิเลสในทุลีในดวงตา ม, มากก็มีอยู่คือพอตรวจดูเบ็ดเสร็จเนี่ยผู้พุทธเจ้าก็รู้เลยว่าสัตว์ผู้นี้มีกิเลสในดวงใจน้อย จัดผู้นี้มีกิเลสในดวงใจมากเนี่ยนะผู้มีอินทรีย์กล้าก็มีผู้มีอินทรีย์อ่อนก็ ม, ผ ม, กมีผู้มีอาการดีก็มีผู้มีอาการชั่วก็มีผู้ที่พอจะสั่งสอนได้ง่ายก็มีผู้ที่พอจะสั่งสอนได้ยากก็มีอยู่บางพวกก็มีปกติเห็นโทษและเห็นภัยในแต่ละโลกเปรียบเสมือนในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญธริกเนี่ยนะดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญริกเนี่ย บางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่กับน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำหล่อเลี้ยงไว้บางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่กับน้ำตั้งอยู่เสมอกับน้ำบางดอกเกิดในน้ำแหละเจริญในน้ำโผล่ขึ้นในน้ำแล้วก็ตั้งอยู่น้ำซึมเข้าไปไม่ได้ชันใดเราขณะที่ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักรสุก็ได้เห็นเหล่าสัตว์ชั้นนั้น บางพวกก็มีกิเลสทุรีในดวงตาน้อยบางพวกก็มีกิเลสทุลีในดวงตามากบางพวกก็มีอินทรีย์กล้าบางพวกก็มีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกก็มีอาการชั่วบางพวกพวจะสอนได้ง่ายบางพวกก็สอนให้รู้ได้ยากบางพวกก็มีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกเราจึงได้กล่าวเป็นคาถาตอบสารสามบดีพรหมว่า เราได้เปิดประตูอมตะธรรมแล้วขอเหล่าศาสตร์ผู้สดับจงปล่อยศรัทธาออกมารับดูก่อนพรมเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่กล่าวธรรมที่ปราณีตซึ่งเราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์เมื่อสามมดีพรมทราบว่าพระบรมศาสสดาทรงรับประธานโนเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงอภิวาตแล้วก็ทำประทักศิณอันตรธานไปณที่นั่นแลแสดงว่าพรมดีใจแล้ว อันตรทานหายไปแล้วจบกิจของพรหมไปเนะี่ยอย่างนี้ต้องขอบคุณกันนะนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเขามีปัญหาบอกว่ า, วาพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงสร้างสมบรารมีมาตั้งเสียสงไขยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยใช่ไหม แล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยพอได้ตัดสรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วบอกทรงขนขวถ่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะที่พระ อ, องค์ทรงพิจารณาดูนั้นน่ยยากจริงๆลึกซึ้งมากยากมากสัตว์ที่เต็มไปด้วยอาไราในกรรมคุณห้าทั้งหลายเนี่ยจะถอนอาไราเหล่านั้นออกอจากใจได้ก็พอพิจารณาอย่างนี้เนี่ยพระ อ, องค์ก็ก็ท้อถอย ในความตรงนี้ที่ว่าบุรุษผู้มีจักรสูยืนอยู่บนยอดที่ท่านบอกบอกว่าเหมือนเน่ยเหมือนบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบชั้นใดดูก่อนสุเมธะผู้มีปัญญาดีพระผู้มีพระภาคเจ้ามีสมันตาจักรสูนีมีด้วยล่ะมีด้วยสัพพัญยตยานแม้พระองค์น่ะโปรดขึ้นบนปราสาธทธรรมคือปัญญาไม่เศร้าโศกด้วยพระองค์เอง เ, องเนี่ย โรดไข้ควรพิจารณาตรวจหมู่ชนผู้ระงับผู้ระงมด้วยความโศกนะถูกชาติชลาครอบงำก็ฉันนั้นท่านอธิบายบอกว่าชนทั้งหลายเนี่ยนะทนํานามากแล้วก็รอบทํานานี่นะบนบนรอบเชิงเขาปลูกกระท่อมไว้ที่ ท, ที่เขตคันนาทีนี้ในที่นั้นนะเวลากลางคืนก็ก็ตามไฟเข้าไว้ ก็ความมืดมิดที่ประกอบไปด้วยองศีเนี่ยมีดังนั้นบุรุษผู้มีจักษุก็ยืนอยู่บนยอดเขานั้นทีนี้เขามองดูบนพื้นดินนะไรนาก็ไม่ปรากฏเขตคันนาก็ไม่ปรากฏกระท่อมก็ไม่ปรากฏผู้คนที่นอนอยู่ในที่นั้นก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่เพียงแสงแสงไฟที่กระท่อมเท่านั้นฉันใดทีนี้เมื่อพระตถาคตเนี่ยขึ้น ขึ้นทำปราศาสตรตรวจดูหมู่สัตว์หมู่สัตว์ผู้ไม่ได้ทำกรรมผู้ไม่ได้ทำกรรมดีแม้จะนั่งอยู่ใกล้พระชานุเบื้องขวาในวิหารเดียวกันก็ไม่ปรากฏแก่ทิพจักรสุยานเหมือนคนยิงธนูวะงั้นเขาบอกว่าสัตว์โลกนี่นะถ้าใครเกิดมาก็แล้วแต่บุคคลที่ไม่ได้ประกอบกุศลกรรมไว้อย่างมั่นคงหรืออย่างดีงามเนี่ยนะขนาดอยู่ใกล้ชิด อยู่ติดเท้าพระโรมาศาสดาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็ไม่เข้าไปสู่ในขายพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมมุติถ้าคนทําชั่วมามากๆเนี่ยนะขนาดกราบเท้าพระบรมศาสดาเนี่ยอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับมองไม่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับมองไม่เห็นแต่จริงท่านพระองค์เห็นนั่นแหละแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เข้าไปในขายพยานไม่เข้าไปในขายในสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้า ให้สังเกตนะเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยในเสด็จก่อนจ ะ, สะเสด็จบิณฑบาตเนี่ยพุทธเจ้าจากที่เคยกล่าวไว้ครั้งก่อนที่บอกว่าจะทรงแย้มเอีงยง้มถ้าวันใดที่จะออกไปโปรดสัตว์แต่เพียงลําพังแต่พระองค์เดียวและมีวัตถุประสงค์ที่จะไปโปรดสัตว์ด้วยเนี่ยก็จะงแง้มประตูกุฏิเข้าไว้นิดหน่อยถ้าอย่างเงี้ยบอกเป็นในในกับพระอนุนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้าสมาบัติ ทีนี้การที่จะเข้าสมาบัติเนี่ยพระองค์ตรวจสอบดูแล้วทั้งๆคนอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ทํากรรมไว้ที่จะเป็นจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่เข้ามาในข่ายพยานฉะนั้นท่านต้งบอกว่าต่อให้อยู่ติดพระบาทของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พุทธเวทใดเหมือนยิงธนูในเวลากลางคืนนะฉะนั้นยิงยิงธนูในเวลากลางคืนเนี่ ย, นะย สามารถที่จะมองเห็นไอ้ลูกธนูได้ไ้มเห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอกส่วนเวในยะบุคคลผู้กระทกรรมดีไว้แม้จะอยู่ในที่ไกลก็ปรากฏแก่พระองค์เปรียบเสมือนไฟและเปรียบเสมือนหิมะวันบรรพศเช่นนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์บุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลเนะสัตว์บุรุษคือคนดีทั้งหลายเนะี่ยคนที่ทาความดีทั้งหลายนะี่นะ ย่อมปรากฏในที่ไกลก็หมายความว่าจะอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็ไปหาเนี่ยพวกเราเกิดไม่ทันรพระพุทธเจ้านี่เสียหายกันตรงเนี้ยถ้าพลาดในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยสมมตินะสมมติถ้าอย่างคุณโยมกันเนี่ยเกิดทันพระพุทธเจ้านี่นะไปปฏิบัติไปปฏิบัติเขาไว้เนี่ยปูอาสนะหนึ่งถวายไว้แล้วตนเองก็ปู ทำอาสนะนั่งประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่มีบุญดีจริงๆอ้ระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็มานั่งประทับอยู่แล ะ, สะแสดงธรรมให้เราฟังแล้วมีโอกาสได้บรรลุเด้อหรือหรือถ้าอย่างสมมุติเนี่ยบางองค์เนี่ยกาลังนั่งอยู่อกุศลวิตกกาลังเกิดใช่ไหมคิดเรื่องบาปบ้างคิดเรื่องการบ้างคิดเรื่องพยาบาทบ้างคิดเรื่องการเบียดเบียนบ้างเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ปรากฏ ชี้เห็นเหตุโทษของอากุศลและธรรมลามงเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมจากบุญเรามันไม่ดีเนะ่ยบางทีเราโดนบาปเล่นงานอยู่ก็ไม่มีใครมาเตือนเลยใช่ไหมไม่มีคนมาเตือนเราเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นสัตว์บุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนหิมวนันบรนพศอสาสัตว์บุรุษอยู่ในที่นั้นเองก็ไม่ปรากฏ เหมือนลูกธนูที่ยิงไปในเวลากลางคืนฉันนั้นดงวยนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพรมเนี่ยทูลอาลาธนาให้พระพุทธเจ้านั้นจาริกแสดงธรรมให้แสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็รับรับอาลาธนานะประการต่อมาก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ตรวจสอบอัธยาศัยบอกว่า ที่บอกว่าสัตว์ทั้งบางพวกก็มีอินทรีย์แก่บางพวกก็มีอินทรีย์อ่อนเนี่ยนะคำว่าอินทรีย์ในที่นั้นก็มีสัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยรู้อินทรีย์ของสัตว์อ่อนและแก่แล้วก็รู้อัธยาศัยและกิเลสทั้นพุทธจักสุของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชื่อของพยานนะเขาเรียกว่าสมัญต์จักสุ เป็นชื่อของสพันยุตยานส่วนธรรมจักสูนี่เป็นชื่อของมรรคยานสามนะเช่นโสดาปฏิมารสกะทาคามีมารคอนาคามีมารคเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าธรรมจักสูแต่ถ้าหากว่าโกนธัญญาได้ธรรมจักสูแล้วเนี่ยตอนนั้นน่โกนธัญญาได้เป็นอะไรได้เป็นพระโสดาบันใช่ ที่ป่าอีสิปัตนาเมลิกคทายวัเนเเดี๋ยวต่อไปก็จะถึงตรงนั้นพวกเราไปดูมาแล้วนี่สบายแลวเห็นอย่างนี้พอฟังแล้วมองเห็นภาพเจอเนฉะนั้นสมันต่าจากสูสเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานเป็นต้นทีนี้คำว่ากิเลสมีราคาเป็นต้นเนี่ยในปัญญาจากสูของสัตว์เราได้มีน้อยถ้าใครมีราคะโทสะโมหะน้อย โดยในที่กล่าวนั้นแหละสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีทุลีคือกิเลสนั้นน้อยสัตว์เราใดมีกิเลสเออมีทุกกิเลสทุลีนั้นมากสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามหาละชักขะก็แปลว่ามีกิเลสคือทุลีนั้นมากสัตว์เราใดมีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นแ ก, ก่กล้าสัตว์เหล่านั้นชื่อว่า เด็กขินริย ا เนี่ยนะก็คือมีอิแก่ก้าวในนี้อย่างเรามีแก่ก้าวไหมศรัทธามากไหมชอบพิสมากไหมศรัทธามากไหมศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สถัทาในคนอื่นเนี <c oughs> สถศราในพระพุทธเจ้า เขาเรียกว่าถ้ามาั่งถ้ามากถ้าศรัทธามากถ้าวิริยะมากถ้าสติมากสมาธิมากปัญญามากเขาเรียกว่าติกขินเทียะพวกเร็วมากประเภทที่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าแค่ น, นั้นไม่รอไม่ลังรอเลยไม่ไม่รีรอเลยปล่อยศรัทธาเต็มที่เมันก็เหมือนกับ น, น้ํำเหมือนกับน้ําที่เตรียมที่จะทะลักไหลเต็มทีมททมท่พอว่ามีอะไรสกิดนิดเดียวแล้วล้นแล้ว บางทีอย่างเรา เ, ราเราท่านท่านทั้งหลายส ก, กิดยังไงมันไม่ไหลเนี่ยครับเคยสังเกตไหมคือส ก, กิดเนี่ยแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเราเรา up ไก่อนเถอะอะไรเนี่ยนะไปก่อนเถอะเดี๋ยวเอาไว้ก่อ น, นอเนาะนมันจะเป็นแบบเนี้แต่แต่ถ้าเรื่องแบบอีกทางหนึ่งมันเร็วเลยนะแต่ถ้าเรื่องบอกว่าเรื่องจะเรื่องจะศึกษาคําสอนจริงๆจรงจังหรือ จ, จะประพฤติปฏิบัติด้วยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนว่าตอนนี้สุขภาพยังไม่ค่อยดีอะไรยเงี้ย เป็นงันเลยครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องที่มันนอกคําสอนแล้วโอ้โหเร็วมากอันนี้มัไม่ใช่สัตว์เราได้มีอินทรีย์เหล่านี้อ่อนมีสัตวท้าวิริยาสติสมาธิปัญญาอ่อนสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามุทินทรียสัตว์เราได้มีอาการคือสัตวท้าเป็นต้นเหล่านั้นดี ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเราียกว่าดี น, นั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามีอาการดีโดยภาษาคําสอนนี่นยถ้าเขาถามว่าคุณมีอาการดีไหมอาการดีคือคุณมีศรัทธาดีไหมวิริยาดีศรัทธาวิรยิยวิริยาดีถ้าวิริยาไม่ดีก็คือเพี้ยนผิดอะไรนี่นะวิริยาสติสมาธินี่เขาเรียกมีอาการดี มีอาการดีไหมถ้าก็ถามไปเจอหน้าถามไปหมายถึง ถ, ถามถึงศร <c oughs> ัทธาไม่ถามเนอย่างนี้เขาถามมีอาการดีไหมสัตว์เหล่าใดที่บอกว่ามีอาการคือศรัทธาเป็นต้นดีสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสวาการะสัตว์เหล่าใดกําหนดรู้เหตุที่ตรัสสามารถรู้ได้ง่ายสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสุวินยาปะยะคือบอกว่า กำหนดรู้เหตุที่ตรัสสามารถรู้ได้ไง่ายคือพอพระพุทธเจ้าตรัสคำสอนแล้วเนี่ยกำหนดรู้ได้ไง่ายเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้ได้ไง่ายสัตว์เราได้เห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นภัยสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นภัยเราเห็นปรโลกนี่โลกหน้าเนี่ยเห็นโลกหน้าโดยความเป็น เป็นภัยหรือเปล่าเห็นเห็นด้วยความเป็นภัยไหมโลกหน้าคําว่าภัยคืออะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวพยะนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเห็นกันอย่างนั้นจริงๆเลยคิดปุ๊บก็โอ้โหน่ากลัวอย่างโลกข้างหน้าเนี่ยการจะไปข้างหน้าเนี่ยมันน่ากลัวอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศัสตร์เหล่าใดเห็นป่โลกและเห็นโทษนะ ด้วยความเป็นภัยสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นภัยเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในปรโลกในโลกหน้าเนี่ยไม่ใช่เห็นในปัจจุบันนี่ก็เป็นโทษอยู่แล้วใช่ไหมแล้วยิ่งไปในภพข้างหน้าเนี่ยเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าวิธีคิดนะอ่ะถ้าเราไปเกิดในภพหน้า ถามว่าเมื่อไปเกิดเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนลองมาคิดแค่ตรงนี้นะเออเราจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยเอาสมมติว่าเราเคยไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนดีที่ไปเกิดแล้วแล้วเรามาคิดดูอย่างชาตินี้นะกว่าที่เราจักได้มาฟังทำกันจริงๆอย่างๆหรือปฏิบัติธรรมเนี่ย สมมติถ้ามันได้อย่างนี้วยเพราะเราเคยสร้างเหตุปัจจัยตอนในายุ่มากๆนี้เหมือนกันนะใช่ไหมไปชาติที่แล้วโอ้โหไปหลงผิดเอะอย่างสมมุติว่าท่านท่านเนี่ยว่าทำบุญชาตินี้ไว้ดีสมมตินะไปเกิดใหม่เป็นชายหนุ่มรูปงามโอ้โหไปเลยแต่นี่จะทําชั่วเยอะนะคนรูปงามเนี่ยแล้วไปแล้วท่นเนี่ยโอ้โหหลงละเริงทํามาหากินไปเอะกว่าจะมาศึกษาคําสอนน่ะโลกเล่นงอมแงมแล้วไปจะไม่ไหวแล้ว เริ่มเดินหน้าก้าวถอยหลังสามแล้วเริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วลองคิดดูนี่ยังมันเป็นโทษแท้ๆในอย่างงี้นะลองคิดดูหรืออีกอย่าง โ, โดยส่วนมากเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วยากมากท่านถ้กลับมาเนี่ยแล้วจะไปเรียนเรียนที่ไหนแล้วที่ไหนที่เ็าศึกษาครับสอนกันจริงๆอลองลองดูเราศึกษากันดีๆแล้วจะคนหัวลุกนะ จะกวนนูลูกวยาเราจะไปเรียนที่ไหนไปเรียนกับใครแล้วใครจะอยู่สอนเรา <c oughs> ไม่มีหรอกลำบากเลยตรงนี้แค่ตรงนี้ลำบากแล <c oughs> ้วอิ้หงาครูก็ลำบากหรือว่าใจะให้ใจน้อมจะไปจะศรัทธาก็ลำบากอีกก็ลำบากมาก <c oughs> ประการต่อมาคือบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสทุลีในปัญญาจากสู่น้อย ถ้าหาบุคคลผู้มีกิเลสในปัญญาจากสู่น้อยนั้นนะ่ะเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาเห็นไหมถ้าเราต้องมาดูบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนมีกิเลสน้อยกิเลสมากโดยตรงที่มีศรัทธามั้ยแต่ถาคตาโพทิศธาศรัทธาในพระพุมีพระภาคเจ้าเนี่ยเออถ้าดูศรัทธาเราเราเนี่ยบางทีต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นใช่ไหมถ้าศรัทธาอย่างเราเนี่ยไม่กล้าทิ้งทุกอย่างนะแต่ถ้าศรัทธาของ ของพระอรยะทั้งหลายที่ในสมัยคข้งพุทธกาลที่เขาศรัทธาเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาศรัทธาจรงิจรงๆเลเนี่ยพอเขาได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่โอ้เข้าไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาชื่อว่าผู้มีกิเลสทุลีในดวงตาปัญญาจักสูงมากเออถ้าเราดูอย่างนี้นะ ในคำสอนบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสทุลีในปัญญาจากสูน้อยส่วนบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาก็ชื่อว่าเป็นผู้มีกิเลสทุลีในปัญญาจากสูมากลักษณะอย่างนี้ก็ไปตรวจสอบดูว่าถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่นะเป็นบุคคลที่มีศรัทธาน้อยก็ชื่อว่ามีกิเลสมากมีมีกิเลส แต่มีศรัทธามากกิเลสก็น้อยผู้ประกอบด้วยความเพียรชื่อว่าอัปปละชักขะผู้มีผู้เกียรติค้านก็ชื่อว่ามหาราชขะเนี่ยนะผู้มีสติมั่นคงก็ชื่อว่าอัปปละชักขะผู้มีสติหลงลืมก็ชื่อว่ามามหาราชขะผู้มีจิตตั้งมั่นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยนะ บุคคลผู้มีศรัทธาก็ชื่อว่ามีอินทรีย์กล้าเป็นต้นเหล่านั้นถ้าผู้มีปัญญาเ็าเรียกว่าเป็นผู้เห็นคืออย่างนี้ถ้าเราจะเห็นโทษหรือเห็นปาราโลกโดยความเป็นภัยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาแต่ถ้าคนมีปัญญาสามเนี่ยคือือถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะไม่เห็นโทษและจะไม่เห็นปาราโลกโดยความเป็นภั ย, ภยที่น่ากลัวหรอก ก็เห็นนุ้ยเกิดที่ไหนให้สังเกตดูไหมคนเราบางคนอย่างคนอย่างผมเนี่ยตายเมื่อไรก็ได้บอกงั้นนะถามทําไมอาไม่กลัวโลกหน้าหรือไม่กลัวหรอกเกิดมาเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวว่าไงนะเป็นระดับปุ๊บสู ง, สงๆเขาพูดกันอย่างงี้นะเขาบอกว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวไม่เขาบอกไม่กลัวหรอกคือเขาไม่กลัวโลกหน้าก็เขาไม่กลัวโลกหน้า ไอคนที่ไม่กลัวโลกหน้าคือคนมีปัญญาสามนะคือคือคนไม่รู้นั่นเองแต่ถ้าคนเขามีปัญญาเขาคํานวณเขาคิดเขาศึกษาคําสอนดูแล้วก็คํานวณเบ็ดเสร็จแล้วเขาเขากลัวเลยมันเหมือนคนที่จะทําอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเขาคํานวณออกเบ็ดเสร็จแล้วจะทำไปแล้วเจ๊งแล้ววิบัตินี่เนะื้อคนนี้เขากลัวทันทีเขาไม่ทําหรอก แต่ถ้าเขาคิดคิดแนละ้วเขาจะได้อะเขาคิดรอบคอบเบ็ดเสร็ถึงทำอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้คนก็มีปัญญานี่แต่ถ้าไม่มี <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยทำปุ๊บเข้าไปนี่นะสมมุตินี่นะก็คือกล้าโลกหน้าไม่กลัวทนมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เห็นโทษในโลกข้างหน้าก็าเรียกมีปัญญาสามชื่อว่าไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย ทีนี้คำว่าโลกโกคคำว่าโลกเนี่ยนะโลกในที่นั้นเน่เป็นชื่อของขันเป็นชื่อของธาตุเป็นชื่อของอยายตนะเป็นชื่อของสัมปติภพโลกคือสัมปติภพโลกคือวิบติภพเป็นต้นโลกคือว่าโลกหนึ่งคืออะไรสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารเอาทุกภูมแหละอันนี้โลกมีหนึ่งเดียวเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นอบายภูมิสีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกรูปภูมิรูปภูมเนี่ยนะสามิเอ็ดภูมิเนี่ยนะสาสิบเอ็ดภพเนี่ยนะอยู่ได้ด้วยอาหารอถ้าอาหารของสัตว์นโลกก็คืออะไรในในในโลกไม่มีการสังสรรค์ไม่มีการจัดกินเลี้ยงไม่มหรอไม่มีแจกการ อยู่ได้ด้วยกรรมกรรมนั่นเลยเพะฉั้นพวกนี้ทําไมไม่ตายใช่ไหมอาหารของเขาคือกรรมหล่อเลี้ยงเขาไว้ไม่ให้ตายเนี่ยมันเจ็บปวดเนยที่ไม่ให้ตายเนี่ยให้ทรมานเนี่ยให้มีสิทธิ์คือทรมานอย่างเดียวแต่ไม่ตายพวกเพลดเนี่ยกินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรไม่ตายแต่ทรมานลองไป ลองไปสัตว์เดรัจฉ า, านก็เห็นด้ประเภทที่ทุกยากลำบากเลยนี่งั้นสัตว์ทั้งปวงเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารอย่างนี้ก็เรียกว่ามีโลกหนึ่งถ้าโลกสองแบ่งเป็นสองละโลกเลยถ้าแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นนามหนึ่งโรคอีกหนึ่งนี่ไโลกกับ น, น้ำกันเนี่ยถ้าโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารในที่นั้นเป็นชื่อของปัจจัย ไปชื่อของปัจจัยเนเดกที่จะสามารถทำให้ดำลงอยู่ได้ตลอดถึงอายุไขของเขาหรือชั่วกรรมที่ยังไม่หมดกำนาดลงแต่ถ้าโรคโรคสองนี่นะโรคเนี่ ย, นะยสองนี่ก็คือนามกับรูปนามก็กลุ่มเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกลุ่มรูปประคันที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปและอุปาทายรูปนี่แหละกายวานาคือประกอบด้วยใจแล้วก็ส่วนของกายนั่นเอง ส่วนโลกสามโลกสามก็คือเวทนาสามไงสุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมาสุขเวทนานี่เข้าใจคำว่าโลกอยางนั่นเวทนาก็ชื่อว่าโลกโลกเนี่ยเป็นภัยไหมแตกดับไหมมันแตกดับอย่างนี้โลกสก็คืออาหารสี่กาวะลิงกลาหาร ขัดสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารอันนี้ได้ศึกษากันไปบ้างแล้วโลกหคืออุปาทานนขันห้าเราสวดกันนะตั้นเช่าลูปูปาทานขันโถเวทนูปาทานขันโถสัญยูปาทานขันโถสังขารูปาทานขันโถวิญญาณูปาทานขันโถอันนี้คือโลกห้าอุปาทานขันห้า คือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลก6ก็คืออายตนาหอายตนาภายในเนะอายตนาคือตาอายตนาคือหูคือจมูกคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนาคือใจเนี่ยนะนี่เขาเรียกโลก6โลก7ก็คือวิญญาณนถิติ7วิญญาณนถิจิต ตีเจ็ดเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของสิ่งเกี่ยวกันในเรื่องของตัวตัวที่ตั้งของวิญญาณทั้งหลายอะเกี่ยวกันในเรื่องของว่าสัตว์เหล่านั้นมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเป็นต้นเหล่านี้นะโลกแปดก็คือโลกกระทำแปดรู้จักโรกกระทำแปดไหมมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอด นินทาสารเสรินสุขและทุกเนี่ยนะมีอยู่ทุกวันไหมมีอยู่ทุกวันโลกกรรม8แปดนี่คือโลกโลเก้าคือสตวาดเกอันนี้ก็ไม่ต่างกันกันกบวิญญาณทิตยเตเพิ่มเนวาสัญญาไปอีกนกโลกสิบคืออายตนะสิบอายตนะสิบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวเนี่ยตากายเนี่ยเว้ น, นโลกบสองคืออายตนะสิบสองก็เพิ่มมา ก็อายตนะ12นี่นะโลก18ก็คือธาตุลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกนั้นเราจะมองไม่ว่าจะโลก1โลก2โลก3โลก4ี่โลก5้าโลก6โลก7ดโลก8โลก9โลก10โลก12โลก18เนี่ยนะลักษณะในคำสอนให้พิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่ากิเลสทั้งปวงจัดว่าเป็นโทษ ทุจริตเนี่ยจัดว่าเป็นโทษอาภีสังขารทั้งหลายก็จัดเป็นจัดว่าเป็นโทษด้วยถ้าดูจากคําสอนบอกว่ากิเลสทั้งปวงนี่จัดว่าเป็นโทษไม่ราคาโทสาโมหะมานะทิถิวิจิกิจชาฮิริกะอนโนตตป่าและอุทะจานี่จัดว่าเป็นโทษกายะทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตก็เป็นโทษ ใช่ไหมปุญญาพิสังขารนะี่ยปุญญาพิสังขารเน่ยเนนชาพิสังขารนะเนี่ยเป็นโทษไหมการทำบาปนี่เป็นโทษไหมการทำบุญเลย <g are> <g are> เป็นโทษอ <g> ิ <are> อา <g are> ทำไมเป็นโทษนะ <g are> อาทำบุญเนี่ยถามเวลาเราทำบุญแล้วใช่ไหมก็เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำบุญเกี่ยวกับทำให้ได้ได้ตาแล้วก็มีตามาพ็มีตาแล้วมีการปวดตาบง มีตามีหูมีจมูกแล้วมนเราได้เนี่ยได้สรีระได้อะไรนะได้กระดูกสามร้อยท่อนมาเส้นเอ็นเก้าร้อยเส้นเนื้อเก้าร้อย900ชิ้นมีหนังปกปิดเนี่ยประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เราได้ชิ้นส่วนนี้มาแบบเบ็ดเสร็จเหมือนได้รถมาคันนึงนี่ <c oughs> อันนี้ผลของบุญนะเอาละสตลไไิต้องดูแลไว้เนี่ยต้องดูแล้หม มันเที่ยงไหมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ่ะบรรคับบรรชาได้ไหมเนี่ยเนี่ยงามหรือไม่งามก็ดูไปทึง น, น, นั้นการตรวจสอบในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นโทษนี่เป็นอาทีนวะมองแบบนี้แล้วจิงจะเบื่อหน่ายถ้าไม่มองแบบนี้ในที่สุดยิ่งจะไม่เบื่อหน่ายเนะย กรรมมันเป็นเหตุให้นำสว์ไปสู่พบทั้งปวงก็จัดว่าเป็นโทษเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเจตนาในการที่จะทํากรรมไม่ว่าเจตนาที่จะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ประหลานสัตว์นรกหรือไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนี่ยไอตัวกรรมเนี่ยเป็นโทษมันเหมือนเรามองไม่ดีเป็นคุณเลยเนี่ยเหมือนให้เราไปรับตาแหน่งเนี่ยใช่ไหมบอกให้เดินทางไปรับตาแหน่งเนี่ย ก็ใช่เหมือนดีไงเหมือนบอกว่าเอา้าตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าแล้วไปเป็นพระราชามหากษัตย์โอ้โหชื่นใจมากแต่หูตั้งแต่เริ่มเป็นปวดหัวทุกวันเับ่ยละพาละยินไหมว่าจริงๆจัดเป็นโทษความสำคัญในโลกนี้และในโทษนี้ว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าปรากฏแล้วเนี่ย ถ้าคนที่เขามีปัญญาเขาจะพิจารณาเห็นเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเพชรคาตที่กำลังเงื้อดาบหาว่าพอมีตาอุบัติเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีคนเตรียมมีดดาบคอยแทงตาไว้หรือยังเขามีไว้แล้วเดี๋ยวบอดใช่ไหมฮะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยเดี๋ยวขาเตรียมจะตัดคออยู่แล้ว เดี๋ยวถูกตัดหมดถูกตัดหมดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีปัญญาก็มองเห็นอย่างนี้เปีย่ยงแรงกล้าเลยนะพระธรรคตย่อมรู้เห็นย่อมรู้เห็นรู้ทั่วรู้ตลอดอินทรีย์ห้าเหล่านี้ด้วยการห้าสิบด้วยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอินทรียปโรปริยติยานของพุทธเจ้าในเห็นนี่เขาเห็น พระพุทธเจ้าแเทะมองเห็นตลอดหมดใช่ไหมเมื่อที่ที่น่าสลดใจเดี๋ยวนี้สุดคืออะไรรู้ไหมเวลาไปโรงพยาบาลหีืออะไรเนี่ยมันมันคนใกล้ตายกันเยอะจัดเนี่ยเวลาไปเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันโถทัวเนาะไอโถทัไม่ใช่ว่าเป็นโทษสตว์นั้นเป็นรักนะโอ้โหสัตว์โลกเนี่มันระงมด้วยพิษไข้ในนี้มันจะนึกเนี่ยมันระงมกันด้วยพิษไข้จริงๆเนี่ยนั่งจ้องรอกันเป็นแถวมาเลยเนาะ ต่อคิวยาวเยียดเลยพอถึงเวลาจะกลับกันอูอยากจะกลับบ้านนะไอข้ขาก็ขาดใจก็อยากจะกลับบ้านถามจะกลับไปไหน <c oughs> ไ่บ้านเลยไปไปไหนอีกต่อ่ไหมพอจะตายเมื่อก็ไม่อยากจะตายถามจะอยู่ทำอะไร <c oughs> โอ้ลําบากเมันคิดไม่ออกอะ่ะคนเรามันคิดไม่ออกก็วนวนกันอยู่เนี้ย เดาแล้วคิดไม่ออกนี่เป็นอย่างนี้นะประเย่นเรา โ, โ ห, หน่าน่านเบื่อหน่ายกันจริงๆทีนี้เมื่อพระบรมศาสดาพระองค์พิจารณาดูอย่างนั้นแล้วพิจารณาถึงดอกอุบลที่อยู่ใต้น้าก็มีอยู่เหนือน้าก็มีนะลักษณะนี้ท่านพิจารณาว่าดอกอุบลเหล่านั้นเราใดขึ้นพ้นอยู่รออยู่เหล่านั้น รอรับสัมผัสแสงพระอาทิตย์บานในวันรุ่งขึ้นเราใดตั้งอยู่เสมอน้ำเหล่านั้นก็จะบานในวันพรุ่งนี้เราใดจมอยู่ใต้น้ำจมอยู่ในน้ำธรรมชาติเลี้ยงไว้เหล่านั้นก็จะบานในวันที่สามส่วนดอกอุบลผู้อยู่ในสระเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยแม้เหล่าอื่นผู้อยู่ใต้น้ำยังมีอยู่เหล่าใดจักไม่บานเหล่านั้นก็จักเป็นพักษาของเต่าและปลาอย่างเดียว ทีนี้ท่านเลยแยกพิจารณาดอกไม้สี่อย่างเหล่านั้นก็คือว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะและก็ปทาชารณะเออปทาปรารณะปรามะฉันนั้นในสี่อย่างนั้นบุคคลใดตัตรู้ทำพร้อมด้วยเวลายกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงนะบุคคลนั้นชื่อว่าอุคติตันยูเพราะกล่าวหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเท่านั้นแหละอย่างนั้นเป็นอุคติตันยู อายกตัวอย่างหน่อยที่อุคติตันยูคืออะไรเอาอย่างภาษาลีบนะุตรนี่ยภาษาลี บ, บุตรบรรลุที่ไหนทำอะไรแฉะนึกออก <laughs> อไหม <laughs> แม่เพิ่งไปมานี่อุตสาเป็นวดเลยเรียนไม่จําไม่ได้ เขาเรียกทำสุการะขาตาทำสุกรนั่นเองตรงนั้นได้เป็นพระละหันแต่ครั้งแรกที่ฟังธรรมนั้นฟังจากพระอาสชีพระอาสชีแสดงธรรมบอกว่าธรรมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นใช่ไหม พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ถ้ายกหัวข้อ ข, ขึ้นแสดงในลนักษณะอย่างนี้เราได้บรรลุเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอุคติตันยูบุคคลใดตักรู้ธรรมเมื่อท่านแจกอัดแห่งภาษิตสังเขบให้พิสดานบุคคลนั้นชื่อว่าวิปจิตันยูวิปจิตันยูเนี่ยถ้าแสดงโดยพิสดารเนี่ยนะ การกล่าวแบบย่อๆหรือยกหัวข้อขึ้นมาแสดงเนี่ยอันนี้ไม่ได้บรรลุแต่พอขยายพอขยายโดยพิศดานขยายโดยพิศดานก็หมายความว่าเอามากล่าวโดยในยะแบบพิศดารเนี่ยนะถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้กล่าวแบบย่อเนี่หรือ หรือถ้าบอกว่าขันห้าไม่เทียงเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ย่อแต่พอมาขยายว่ารูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เริ่มขยายถ้าขยายมากกว่านั้นก็คือว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในเป็นภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลเลยใกล้อย่างนี้ขยายเลยเอารูปมาขยายลักษณะนี้แล้วตัดสิรูได้เนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปจติตันยุ นิวิปปจิตันอยู่บุคคลใดใส่ใจโดยแยบคายทั้งโดยอุเทศทั้งโดยปริปุจ ช, ชารู้จักอุเทศไหมอุเทศเนี่ยก็คือหัวข้อเนี่ยนะปริปุจ ช, ชารคือการสอบถามฟังหัวข้อแล้วก็สอบถามเนี่ยนะแล้วก็พิสดารด้วยซ่องเสพเข้าหาการยานามิตรนี่กรรยานามิตรอยู่ในเข้าคบหาสมาคม ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยการได้ตัดสรู้ได้บุคคลเหล่านั้นเรียกว่าเนยยะนี่เขาเรียกเนยยะประเภทที่สามบุคคลใดฟังมากก็ดีนี่นะฟังมากก็ดีกล่าวมากก็ดีทรงจํามากก็ดีสอนมากก็ดีก็ยังไม่ได้ตัดสรู้ธรรมในชาตินั้นบุคคลนั้นเรียกว่าปธาปรมะที่จะว่าไงดีนะครับ เอาเอาอะไรดีง <c oughs> ั้นถ้าใครว่าปัท tha บาลามาน่าโกรธไหม <c oughs> ไม่น่าโกรธจริง <c oughs> จริงอย่าไปโกรธทุกวันนี้ไปสอนธรรมะ ก, กันผิดไปเข้าใจว่าตนเองไม่ใช่ปัท tha ลมาแล้วแล้วพูดกันอย่างั้นจริงๆริงนะแล้วใครบอกว่าปัท tha ลมาโกรธเขาด้วยนี่ไม่ดูสูตรนี่ไม่ดูคําสอนเป็นอย่างเง ฟังมากกล่าวมากทรงจำมากสอนมากหรือยังก็ยังไม่สามารถจะตัดสรู้ในชาตินั้นนั่นบุคคลนั้นเรียกว่าบัธาปละมะใครถ้าทิ้งร่างแล้วไม่ได้คุณวิเศษเกิดขึ้นให้รู้ตัวเองว่าแต่ถ้ายังไม่ทิ้งร่างอ่ก็ยังหวังอยู่เนี่ยใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าทิ้งร่างลงตูมในชาตินั้นตายแล้วแล้วไม่มีคุณวิเศษในภายในเลยบงบอกได้เลยท่านผู้นั้นเป็นประทาประม <c oughs> ุนทาใจไม่ดีเนี่ย <c oughs> นั่นย่อย่ า, อ ย, าอย่าเสียใจนะบุคคลเหล่านั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรวจดูหมื่นโลกธาตุ การตรวจดูหมื่นโลกธาตุซึ่งเป็นเสมือนกับดงบัวเป็นต้นเนี่ยนะก็เห็นอุคติตัญญูเปรียบเหมือนดอกไม้บานในวันนี้วิปจิตตันยูก็เหมือนกับดอกไม้ที่จะบานในวันพรุ่งนี้เนยญ้าก็เหมือนกับดอกไม้บานในวันที่สามป ะ, ะประม่นี่เป็นดอกไม้ที่เป็นอาหารของเต่าหรือปลาเนี่ยนะตรวจดูลู่เลยแล้วเราจะเป็นอาหารของใครจะเป็นดอกไม้ประเภทไหน เอาบานวันนี้หรือบานพรุ่งนี้หรือวันที่สามเป็นต้นมันหรือเป็นประเภทดอกไม้ที่มั น, พ, น <laughs> พระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> เมื่อทรงเห็นก็ทรง <c oughs> เห็นด้วยอาการทุกอย่างอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านี้มีประมาณเท่านี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าคำนวณเบ็ดเสร็จเลยวันนี้อุคติตันยูมีเท่านี้วิปปจิตตันยูมีเท่านี้ นัยยะมีเท่านี้ปัตภะประมะมีเท่านี้มีกิเลสคือทุลีในปัญญาจักสูน้อยมีกิเลสในทุลีในปัญญาจักสูมากสัตว์เหล่านั้นเหล่านี้มีมีเท่านี้อุคติตันยูดังนี้เป็นต้นนะพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้สําเร็จประโยชน์ในอัตภาพนี้เท่านั้นแก่บุคคลกี่ประเภทดิสประเภทอุคติตัญยูวิปจิตตัน ญ, ญูแล้วก็นัยยะเท่านั้น ส่วนประทะปรมนั้นให้ฟังให้เรียนให้ทรงจําให้สาธยายให้มากเพื่อประโยชน์มีวาสนาเพื่อประโยชน์ในอนาคตการเอาโลได้ตรงนี้ใจชื้นขึ้ น, นตรงนี้ได้ตรงเนี้ยนะเอาล้วยังไงเอาเป็นวาสนาแบามี เวลาอธิษฐานว่าไงของให้ตัดขอให้ได้ตัดสลรูในนาโคตการบองนานนนเถินอธิษ่ารั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพระธรรมเทศนาจะเป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งสี่ประเภทนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้า น, นั้นเน่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทุกหมู่เหล่า ที่เป็นเวนยสนชนเวนาาัยศาตร์น่นะถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นประเภทปทัทภปรมะเนี่ยแต่ก็ตั้งอัธยาศัยเป็นปัจจัยแก่การจะได้บรรลุธรรมในอนาคตฉะนั้นการที่เราได้ตั้งศรัทธาให้เกิดขึ้นแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในพระราตนาตรัยนั้นชื่อว่าไม่เสียหายเลยเป็นผลดีแก่สัตว์เหล่านั้นเลยทีเดียว จึงทรงทาให้เกิดพุทธประสงค์ที่จะทรงแสดงธรรมนก็จำแนกเหล่าสัตว์ในสามภพคือในการมาภพรูปภพและในอรูปภพทั้งหมดอีกสองก็คือว่าพัพพระและก็อาพัพพะบุคคลท่านหมายเอาสัตว์เราใดจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าเหล่าสัตว์ผู้ประกอบด้วยการห้ามกรรมห้ามวิบากห้ามกิเลสไม่มีศรัทธานะตัดไม่ขาดไม่มีปัญญา ไม่ควรก้าวล่วงสู่ความชอบในกุศลธรรมแน่นอนและเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาบอกว่าสัตว์ผู้ประกอบไปด้วยการห้ามกรรมเนี่ยนะห้ามวิบากห้ามกิเลสแล้วก็ไม่มีศรัทธาตัดไม่ขาดไม่มีปัญญาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ควรก้าวล่วงสู่ความชอบในกุศลธรรมแน่นอน <c oughs> กุศลกรรมแน่นอนเน่ยนะสัตว์เหล่านี้จัดชื่อว่าเป็นอภิภะ ฉะนั้นสัตว์เราใดบางคนนเนี่ยเป็นผู้ที่มีกรรมกรรมวรนเนี่ยกรรมวรนเนี่ยผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้นเนี่ยกรรมวรมีกรรมเป็นเครื่องกั้นคือกลุ่มพวกธรรมานุนิยกรรมเนี่ยปีตุขาดมาตุกขาดอรหันตะคาดโลหิตตุประบาทสังฆเภทเนี่ยกลุ่มพวกนี้กรรมวรเนี่ยไม่ได้บรรลุแน่นอนตัวนี้มีกรรมเป็นเครื่องกั้นทวิปากาวรก็พวกมีวิบากเป็นเครื่องกั้น ถ้ามีเวบากเป็นเครื่องกั้นก็คือพวกอาเหตุกาปฏิสนธิทวีเหตุกาปฏิสนธิเนี่ยอาเหตุกาปฏิสนธิก็กลุ่มพวกอบยัยวสั์อย่างหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือพวก พ, พวกบาบาพวกที่เกิดมาแล้วเป็นคนไร้ปัญญาแต่เกิดถ้ากลุ่มทวีเหตุกาปฏิสนธิก็ไม่ได้นะเกิดมาไม่มีเหตุไม่มีปัญญาเหตุในขณะปฏิในขณะเกิด นี่นะพวกวิบากเป็นเครื่องกั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าย่างยังพญานาคเนี่ยพญานาคมีอิทธิฤทธิ์มากนะ ม, มีอิทธิฤทธิ์มากออแปลงกายเป็นมนุษย์ก็ได้อย่างเงี้นะแปลงกายมาบวชได้ซ้าไปในสมัยครังพุทธกาลแต่เนี้ยบรรลุไม่ได้นี่มีมิปากวอนนะตรงนี้เนะี่ยมีวิบากเป็นเครื่องกั้น แล้วก็กิเลสสาวรมีกิเลสเป็นเครื่องกันตรงนี้กิเลสกิเลสแรงมากพอกามราคาะพยาบาทีนามิทาอุทจากกูุจาวิจิกิจฉากิเลสมากๆเนี่ยอันนี้ก็เครื่องกันอย่างดุนแรงเลยอย่างนี้แล้วประการต่อมาก็คือว่าไม่มีศรัทธาอันนี้จบเลยเพระเจ้าจงบอกเธอทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเนี่ยใช่ไหม ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคนไม่มีศรัทธาเนี่ยหมดเอาง่ายๆเลยเนี่ยพอไปไปไปมาศรัทธาหมดมันไม่ออกอะทําไงก็ไม่ออกอะเพราะมองอมันไม่เชื่อทังคนเนี่ยนะให้สังเกต ด, ดูไหมไอ้ยังอื่นเนยอให้สังเกตไหมคนบ้าเขียนหนังสืออะเขียนอย่างแล้วครึ่งดีครึ่งบ้าโรคจิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยที่แต่งเขียนหนังสือกันออกมาเนี่ยนะโห้คนสนใจกันใช่ไหม แล้วขายกันได้ทั่วโลกขายกันได้แพงๆด้วยเขาบอกมีหนังสือไม่ได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวเะมาหาวาเราผิดตําหนิมันมีหนังสือต่างประเทศออกมาอันที่เนี่ยตอนนี้ยังยังขายอยู่นะเขาบอกว่าขายไปทั่วโลกเลยเขาเอามาแต่งเป็นภาพยนตร์ด้วยเขาบอกเ น, นี่ยหนังสือแบบเนี้ยไปอ่านมาไม่มีอะไรเป็นเรื่องเพอ้อฝันทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องเพอ้อฝันเรื่องโลกเรื่องอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยนะ คนอ่านกันจังเนี่ยหนังสือยอย่างเงี้ยเขาใจนะเขามีศรัทธาแบบนั้นแต่พอมาอ่านพระไตรปิฎดกดเขาเป็นไปไม่ได้เขา่างั้นเขาไม่เชื่อทันทีเลยเนี่ยแต่ว่านังสืออย่างนั้นนะเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ทั้งๆ้ที่มันเป็นไปไม่ได้อะ่ะอย่างขี่ไม่กวาดลอยวิววิวเนี้ย <c oughs> ใช่ไหม อย่าไปเอ่ยที่เขาไม่เนี่ยมันเป็นไปได้ที่ไหนไม่กวาดเราเอามันนั่งแล้วก็ไปให้ไปอย่างเงี้ยนันไม่ได้หรอกแล้ววิ่งวุวดวัวดวุดวัดแบบเนี้ยไม่ได้ต้องไปอ่านดูดูดโค อ, อย่างนี้ห น, งนังสืออย่างนี้คนบ้าเขียนไม่ใช่คนดีเขียนนะ่ะคนบ้าคนไม่มีศรัทธาทีนี้แต่เชื่อไหมคนส่วนมากมีศรัทธาที่เนี่ยศรัทธาก็มีแบบนั้น เขาไม่มีศรัทธาในพระธรรมคําสอนเวะลาอ่านในคําสอนปุ๊บเนี่ยบอกว่าบอกว่าเทวดามีอันนี้เขาค้านเลยเขาไม่เชื่อทันทีเลยตรงนี้ยเขาพร้อมที่จะตัดตเนี่ยคนอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ตัดไม่ขาดตัดความรู้สึกทางนั้นไม่ขาดไม่มีปัญญาอย่างเนี้ไม่ควรก้าวลงสู่ความชอบในกุศลธรรมแน่นอน อันนี้ไม่ควรสัตว์เหล่านี้จัดว่าเป็นอภาพะทั้งๆที่เขาฉลาดเนี่ยนะเขาฉลาดดูเหมือนว่าโหรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเลยทั่วไปแต่จัดได้เลยว่าเป็นอภาพะเพราะเขาแยกกุศลแยกอกุศลแยกสาระอาสาระแยกไม่ออกคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราสัตว์ผู้เป็นาพาับผ้าเหล่านั้นเป็นชนสัตว์เหล่าใดผู้ประกอบไปด้วยการห้าม กรรมห้ามวิบากกิเลสเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นจัดเป็นพัพพาเนะีในสัตว์ทั้งสองประเภทนั้นพระพุทธเจ้าทรงละอาภาพพะบุคคลทั้งหมดทรงกําหนดถือด้วยพยานเฉพาะาพัพพะบุคคลเท่านั้นคือบุคคลที่จะตัดสู้ได้นะแล้วต่อมาพระองค์ก็มาจําแนกจริตออกมาเป็นหกอย่างเนะีเป็นราคาจริตผู้มากไปด้วยราคาเนี่ยนะมีราราคาเป็นเจ้าอรือนอีนะ่โทษศาสจริต โมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตและพุท ธ, ธิจริตขั้นจำแนกอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริจักสแสดงทำโปรดเขาบอกว่าถ้าแยกจริตคนออกแล้วเนี่ยการจะให้คําสอนเนี่ยง่ายเลยเหมือนกับแยกโรคนะออกมีโรคความดันนี่โรคไตนี่โรคเบาหวานนี่โรคอะไรเนี่ยก็เริ่มให้ยาถูกแล้วพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอแยกจริตออกมาพระองค์ก็ให้คําสอนให้ ในการพระพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยนะพอดูปุ๊บก็รู้อดีตมาเบ็ดเสร็จไม่ต้องเอาประวัติมาจดไม่ต้องไปทําไม่โอฟิศการหรือทําประวัติเขียนซักประวัติี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนด้วยนะโยมพิษเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นลายครอบครัวแล้วก็เอาสมุดไปจดองไม่ต้องพุทธเจ้าดูปุ๊บรู้เลยเพราะว่าเนี่ยดูด้วยสัพพัญญุตยาน มีลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขอชนทั้งปวงจงน้อมนําพาชนะคือจงน้อมนําพาชนะคือศรัทธาเข้ามาเราจะทําความดําำริของสัตว์เหล่านั้นให้เต็มเัง น, นัคือให้น้อมนําพาชนะคือภาชนะคือศรัทธาของเราสัตว์นะั่นออกมาพุทธเจ้าบอกจะทําพาชนะเหล่านั้นให้เต็มเราได้มีความดําหลีว่าเราพึงแสดงธรรมแก่ใครเนาะก็เลยคิดเลย ความปริวิตรก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นนะถ้าว่ามีความปริวิตกเกิดขึ้นเมื่อไรต่อเมื่อพระพระุทธเจ้าในสัปดาห์ที่แปดในข้อนั้นจะกล่าวในต่างต่อที่บกว่าดังได้สดับมาว่าในวันมหาวินเนศก ร, รมนั้นนะพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอะไรกอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกมาวินเนศก ร, รมออกบวทเนี่ยเห็นเลือนสนมกำนันเปิดจรวดพระไทยเนะ